พวกเราไม่ค่อยได้รวมกันระยะนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาไปนุ้นไปนี้นี่เดียวก็บันดาดวันที่สองวันที่สามอีกวันโพลวันที่สี่วันที่ห้าอีกโยก็อยู่อย่าโลเลโยไปเลยเลมาโลเลโลเลนะอยู่โมูเพื่อนเราเนี่ยอยู่ให้ตั้งใจ แล้วก็ให้รับผิดชอบรู้จักรับผิดชอบตัวเองพวกเราในเรื่องรับผิดชอบตัวเองเนี่รู้สึกว่าอ่อนมากนับตั้งแต่กตินั่นนะอยู่ที่กตุติตามกตินะให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรับผิดชอบตัวเองสูงมาก นับบางแต่ของนอกกายของขอวัดต่างๆเนี่ยต้องรับผิดชอบตัวเองเพราเกี่ยวข้องกับอะไรการใช้การสอยสิ่งนู้นสิ่งนี้เก็บเมี่ยนให้ดีอะไรต่วอะไรเก็บให้ดีการรับผิดชอบทุกอย่างทุกคนมีส่วนดูแลรับผิดชอบทั้งตัวเองทั้งส่วนรวมนี่ ยอมตั้งใจรับผิดชอบเขาเพราะการตั้งใจรับผิดชอบนี่แหละมันจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่เพราะเกิดนานไม่ใช่การรู้จักจรับผิดชอบตัวเองนี่แหละทำให้เราเข้าใจรู้เรื่องสิ่งนู้นสิ่งนี้มันเป็นการช่วยบอนแบ่งเบาภาระกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสะอาดนะความสะอาด นับต้องแต่กตุฏิเจ้าของอยู่ดูความสะอาดข้างบนข้างล่างความสะอาดด้วยความเป็นระเบียบด้วยโดยเฉพาะหน้าเนี่เวลาเนี่ใบไม้เกล็ดครัง้งใบไม้มันเกล็ดครัง้งอย่าเห็นแก่ตัวก่นนะทำข้อว่าต่างๆอย่าเห็นแก่ตัวเอาแกลเอาแก่เห็นแก่เนตรเกณฑ์เงินเห็นแก่สะดวกสบายนะ ตรงไหนมันเกล็กลางช่วยกันอย่างงอมืองอตีนใไม้มันเกล็ดกลางไปหมดนะตามรังคองรังคาอะไรดูทำความสะอาดได้ดีการที่เรารักษาสิ่งเหล่านี้ได้มันเป็นการรักษาขอวัดได้ถ้าเรารักษาสิ่งนี้ไม่ได้คือรักษาขอวัดไม่ได้นี่เป็นขอวัดภายนอก กวาดภายในก็คือท่องบนสวดมนต์ภาวนานี่ก็ทำตออเนื่องอย่าปล่อยอย่าวางอย่าอยู่แบบคนว่างงานโลเลโลเลโลเลอยู่ที่นี่ก็ไม่ทำไปที่อื่นก็ไม่ทำอยู่ตรงนั้นก็ไม่ทำอยู่ตรงนี้ก็ไม่ทำเรียกร้องเอาแต่ผลมันไม่มีผลออยู่ตรงไหนเราก็ทำเวลาไหนเราก็ทำ มันถึงจะมีผลต่อเนื่องเหตุไม่ต่อเนื่องผลก็ไม่ต่อเนื่องเหตุขี้เกียจขี้คานผลมันก็ขี้เกียจขี้คานเหตุหยาบผลก็หยาบเหตุละเอียดผลก็ละเอียดตั้งใจหยาบมันก็หยาบตั้งใจละเอียดมันก็ละเอียดอย่าเห็นแก่ขี้เกียร์ขี้คานนะ เราอยู่กันมากนะไม่ใช่อยู่กันน้อยๆการดูแลวัดช่วยกันแค่นี้ไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาหรอกให้รู้ว่าตรงไหนควรและไม่ควรตรงไหนควรทํำกบให้ช่วยกันทําอย่างทุกวันนี้เราไม่ค่อยเด่เน้นเนี่ยไปปัดกวาดแล้วก็ไปทําความสะอาดตามห้องน้ําห้องอะไรเนี่ยไปทํากันหรือเปล่ากันมาลุ ห้องน้ำทั้งเก่าทั้งใหม่เนี่ยปัดกวาดไปก็แวะไปดูเหมือนเหมือนวันก่อนเราไปดูไอห้องน้าใหม่ตรงนั้นข้างนอกเน่ยเกละครั้งมีทรายฝุ่นไปดูทุกวันเขาดูบ้างเราดูบ้างเราไม่ทำมันเราไม่ดูมันก็ไม่สะอาดมันสกรปรกเราไปที่อื่นเราเห็นงั้นมันเราชอบใจไหม เาไปที่อื่นชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ที่เราทำเป็นเรื่องของเรามันเป็นข้อวัดที่เราจะทำเราอยู่แบบไม่มีข้อวัดเนี่ยมันไม่มีอะไรดีข้อวัดต่างๆเหล่านี้แหละมันจะเป็นเครื่องช่วยช่วยเสริมเราให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยการรู้จักดูแลรับผิดชอบ ไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรแหละรับผิดชอบข้อวัดนี่แหละรับผิดชอบข้อวัดนี่แหละช่วยดูแลกันข้อ ว, วัดส่วนตัวข้อ ว, วัดภายในทรรมวัดสวดมนต์ท่องบ่นภาวนานี่ยทิ้งสิ่งเหล่านี้เรามาทิ้งหมดเสแล้วเราบ่นจะตายบ่นให้ได้น้ น, นบ่นให้ได้นี่ ตายเฉยๆอย่างนไม่ได้ด้วเราทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้เราก็บนว่าเราไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้อะไรมันจะไม่ได้อะไรในเมื่อเราไม่ทําเหตุเอาไว้ผลที่ไหนมันจะเจริญมันจะงอกเงยอยู่ตรงนี้ก็ไม่ทําอยู่ตรงนั้นก็ไม่ทําวันนี้ก็ไม่ทําวันไหนก็ไม่ทําเวลานี้ก็ไม่ทําเวลานั้นก็ไม่ทําแล้วไม่รู้จะคอยทําตอนไหน อายุแก่ไปทุกวันทุกวันทุกวันร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยคอยจะเบียดเบียนย่ำยีเห็นไหมเมื่อวนันเมื่อวานนี่ก็ไปกันแล้วหนึ่งไงครูบาอาจารย์เห็นไหมมันเลือกวัยเลือกเวลาที่ไหนแล้วก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปเดี๋ยวก็มาถึงเราทําไงเวลาเวลาที่มีพอที่จะให้เราทําประโยชน์แต่เราก็ไม่รีบเร่งทำ อย่าเพ่งเลง็งอย่าเพ่งมองตรงนีคนนู้นตร่หนีน้คนนี้ติคนนู้นติคนนี้ผิดกับคนนั้นผิดกับคนนี้ถูกถกับคนนั้นถูกกับคนนี้เอาเรื่องออกนอกหมดไม่รู้ว่าประโยชน์ตนคืออะไรไม่ทําเอาแบบนั้นไปอยู่ในหมู่เทวดามันก็ไม่ถูกไม่ถูกเขาอะเพ่งมองนู้นเพ่งมองนี้เพ่งเลง็งนู้นเพ่งเล็งนี้ไม่เคยเพ่งเล็งตัวเอง ต้องระวังให้มากเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันมีอะไรให้เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันมีปัญหาต่างๆให้เปิด อ, อกคุยกันอย่าหาแง่หาหมุมเพื่อชนะกันสิ่งเไล่านี้มันไม่ได้เอาความสุขมาสูงหัวใจนะมันเอาแต่ทุกข์นะหัวใจใครเป็นอย่างนี้มันมีแต่ทุกข์นะดูไปเถอะ ไม่ใช่ว่าชลาที่สุดนะโง่ที่สุดต้องรู้จักประโยชน์อะไรคือประโยชน์ให้เพิ่มพูนความสุขให้กับตัวเองก็เร่งทาสิ่งนั้นเรื่องของคนอื่นของใครก็ตามเขารับกรรมของเขาเองใครผิดใครถูกใครอะไรเขารับกรรมของเขาเองหาอาศัยเมตตาบอกกันแนะกันเตือนกัน ไม่ใช่เพราะจะเหยียบเขาไม่ใช่เพราะจะทำลายความน่าเชื่อถือของเขาเดี๋ยวนี้แม้แต่ในสังคมวัดเรานี่ก็มีการทำลายความน่าเชื่อถือกันนะมันมีนะภาษาฝรั่งเขาว่าอะไรเขาว่าดิครดดทสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือเพื่อ ถ้าเราจะพูดแบบภาษาไทยๆภาษาธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดคือจะขึ้นแต่ว่าเหยียบหัวคนอื่นขึ้นพยายามจะขึ้นอยู่แต่เหยียบหัวพยายามจะเหยียบหัวคนอื่นขึ้นมันก็เป็นการสร้างเป็นสร้างกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมนี่ให้เราพึงระวังเดี๋ยวจะต้องมาข้าครวนตามหลังทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราการอยู่ร่วมกัน ให้อาใัยความเมตตาต่อกันก็เหมือนอย่างพระที่เขาเจ็บให้ได้ป่วยไม่สะดวกทุขภาพไม่สบายนี่เราก็เห็นใจกันช่วยเหลือกันไปพูดรู้เรื่องไม่รู้เรื่องคนไม่ปกติพูดไม่รู้เรื่องเราก็ต้องรู้ไม่ใช่เราไปต่อ ก, ก่อ น, นเขาไม่ใช่คิดจะชนะเขานี่ ไม่ได้เรื่องทั้งหมดนี้เป็นแบบฉบับเป็นข้อที่เราควรประพฤติพึงประพฤติไม่ใช่เราว่าให้คนนั้นว่าให้คนนี้นะมันเป็นข้อปฏิบัติที่เราควรทําเพื่อประโยชน์ของเราไม่งั้นวันคืนลงไปเราจะได้อะไรกันไม่รู้ประโยชน์ต้นก็ไม่ได้ประโยชน์ส่วนร่วมก็ไม่ได้ประโยชน์ส่วนตัวละเอียดลึกเข้าไปก็ไม่ได้เพราะไม่ทําขี้เกียจขี้คราน อยู่ในบุญยะสถานแบบนี้ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรให้ดูให้ดูให้รอบคอบเราขาดความรับผิดชอบเราต้องพยายามหัดรับผิดชอบทำไมเราจงรับผิดชอบเพราะเราเกี่ยวข้องกับตัวเอง กับมูกับเพื่อนกับสถานที่เนี่ยเราต้องรับผิดชอบกับตัวเองต้องรับผิดชอบยังไงบ้างกับมูเพื่อนครูบาอาจารย์เราต้องรับผิดชอบยังไงบ้างกับแขกกับคนเราต้องรับผิดชอบยังไงบ้างกับสถานที่เราต้องรับผิดชอบยังไงบ้างดูดูและรับผิดชอบดูให้รอบคอบ การรับผิดชอบจะต้องดูให้รอบคอบเอาความขยันเป็นที่ตั้งอย่าไปเอาความขี้เกียจเป็นที่ตั้งอย่าไปเอาความมักง่ายเป็นที่ตั้งอย่าทรงออกนอกที่นู่นจะดีที่นี่จะดีแล้วก็ไม่ทาอะไรคอยไปที่นู่นไปที่นู่นมันก็ส่งไปอีกที่นู่นจะดีดีกว่านี้นีไปที่นู่นที่นู่นจะดีดีกว่านี้อีก มันอยู่ข้างในมันคอยกระสิบกระซาบให้เราหลงไปกับมันเราไม่ดูมันที่ไหนก็ที่ที่มันพร้อมนี่แหละที่นั่นที่สะดวกสบายที่สุดที่สัปปายะที่สุด <c oughs> อย่าไปหาคิดต่อก่อนหาเรื่องหาราวกับคนนั้นกับคนนี้มีนิสัยอย่างนั้นไม่ดีพูดอะไรให้มีเหตุมีผลมีหลักสัจจะเป็นเครื่องประกันความสัตย์ความสัตย์ คือคำพูดที่ซื่อตรองนี่เป็นหลักประกันเป็นความประกันอย่าไปหลบไปหลบมากลบไปกลบมาให้เป็นคนเปิดเผยกับตัวเองเป็นคนเปิดเผยกับหมู่กับเพื่อนไม่ใช่ปิดช่องนี้ปล่อยช่องนั้นให้เขาออกช่องนั้นเขาจะได้เสียเปรียบเราอย่างนี้แบบนั้นเขาเรียกว่าใช้กลนใช้อุบายใช้มา ย, ยาอย่าลืมว่ากิริยาที่เราแสดงออกทุกอย่างทุกครั้งนี่มันเป็นกรรม ให้ระวังเรื่องกรรมมันมีเจตนาในใจยังไงบ้างเจตนาในใจของเรามียังไงบ้างมันบริสุทธิ์ไหมถ้ามีเจเจตนาแอบแฝงมาด้วยความาด้วยเหตุอยากแกล้งด้วยเหตุอยากแพ้อยากชนะด้วยเหตุอยากทับถมเขาเนี่ยเราดูให้ออก มันเป็นกรรมมันเป็นการสร้างกรรมการอยู่ด้วยกันต้องรู้จักประโยชน์อยู่ด้วยกันถ้ารู้จักประโยชน์การอยู่ร่วมกันหมู่มากมันก็ช่วยพยุงกันได้พยุงกันนะใครมองไม่เห็นว่าพยุงดูนี่ยเวลานั่งภาวนาเนี่ยเราไปนั่งคนเดียวเนี่ยหายท้องไปตั้งนานแล้วเนี่ยอือ บางทีไม่ทาด้วยซ้าไปอยู่คนเดียวนี่บางทีไม่ทาด้วยซ้าไปถ้าอย่างนี้แล้วเรามองเห็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเรามองเห็นประโยชน์ในการที่ว่าหมพยุงโมเพื่อนหมเพื่อนพยุงกันโมเรานี่แหละพยุงกัน เลองดูทีนั่งรวมกันเนี้ทำไมระวังอาไงายท้องลองไงท้อ ง, อ ง, องลองดูดูใจแป้าไหมาองายท้องดูไม่ระวังเลอางายท้องดูดีความเรามั่นระวังส่วนนี้ยมีคุณหรือมีโทษเราดูดีมันมีประโยชน์นะมันมีคุณให้เห็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน อย่าไปเห็นแค่เก็บเล็กผสมน้อยคอยเอาชนะกันอย่าเรื่องการแกล้งกันอย่าเรื่องใส่ร้ายกันนี่คือประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเราพูดทางนี้ไม่ใช่ว่าให้คนนั้นว่าให้คนนั้นคนนี้มันเป็นประโยชน์ให้เราอยู่ร่วมกันไปดูในอปริหานิยธรรมหลักปริหานิยธรรมหลักสารานิยธรรมไปดู ให้เข้าไปตั้งกายกรรมกับมุสะพรมจารีเมตตาด้วยกายกรรมในมูสะพรมจารีเมตตาวาจีกรรมในมูสะพรมจารีเมตตามโนกรรมในหมูสะพรมจารีในเมื่อเราเข้าไปตั้งอย่างนั้นแล้วมูเพื่อนเราก็ได้ประโยชน์จากเราจิตใจของเราก็ไม่เดือดไม่ดานไม่กระทบกระทั่ง ไม่กระทบกระเทือนไม่กระทบกระทั่งมันเป็นการประคับประคองตัวเองด้วยประคับประคองคนอื่นด้วยผลรายได้ตามมาคือความเจริญงอกงามโดยสมณธรรมเขาบกพรองเรื่องศีลเรื่องถักเรื่องศีลเรื่องวิ น, นัยเราเข้าเมตตากายกรรมวิจีกรรมบอเข้าไปเตือนเข้าไปสอนเข้าไปาเมตตากายกรรม ช่วยหยิบช่วยยกช่วยจับช่วยปัดช่วยกวาดช่วยเช็ดช่วยถูเมตตากายกรรมช่วยหยิบช่วยยกช่วยจับช่วยวางเดี๋ยวนี้พวกเราทิ้งข้อวัดผู้ที่มีภาษาน้อยพูดมาช่วยดูแลผู้มีภาษามากบางทีแม้แต่หลวงพ่อเพิ่มเนี่ยอายุเท่าไรภาษาเท่าไรแล้วเนี่ยบางคนบางคนยัง วางเฉยไม่ยอมช่วยหยิบช่วยจับนี่ก็ไม่ถูกนะผู้น้อยเนี่ยทําอะไรต้องดูผู้ที่ท่านมีอายุพรรษามากก็ต้องมาช่วยดูล้างบาทอาย่บรนตาเนี่ยต้องหิ้วไปสองนะไม่จะเอาไปแต่ของเจ้าของเองแล้วก็สบายเฉยนั่งเช็ดเมรลอยนั่นแหละนั่งเช็ดบาทล้างบาทต้องหิ้วไปสองของตัวเองด้วยของครูบาอาจารย์ด้วย หาเวลาทํากับอง์นั้นกับองนี้นกับอง น, องนี้กับองนั้นเป็นการฝึกตนอันนี้เขาเรียกว่าเอากายของเราไปทําประโยชน์เมตตากายกรรมมันได้ประโยชน์นะนี่หละเขาเรียกว่าอัตจริยาอัตจริยาประพฤติประโยชน์แก่ตนเรามูเพื่อนอายุพรรษามากๆอย่างนั้นค่ะพรรษ า, ส, าสิบขึ้นไปเนี่ยเป็นพระเถระนี่ เราก็มาทาได้หากเราไม่มีการปฏิสันานไม่มีการประพฤติวัดต่อกันเนี่ยต่างคนต่างโยไม่รู้จะได้กาลังใจได้ความอบอุ่นมาจากไหนเราเกี่ยวข้องกับท่านแต่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่มีนิสัยที่เกี่ยวข้องกันได้นะหากคนที่เห็นว่านิสัยไม่เข้ากับเราเราเข้าไปเกี่ยวข้องเราต้องศึกษา อนิสัยท่านอย่างนี้เราไม่ชอบเว้ยเราไม่เอาวเว้ยไม่เป็นธรรมนิสัยท่านอย่างนี้เราไม่ชอบเว้ยไม่เป็นธรรมแต่คิดในใจเอาเฉยๆอย่าไปตำหนิท่านตำหนิไปเดี๋ยวได้ตอบได้โต้กันผิดกันโอ้ผู้ ด, ดุชนนี่พูดยากลําบากอยู่กันยากอยู่ด้วยกันลําบากถึงกระนั้นก็ตามเราน้อมมาเพื่อความเป็นธรรม หลักทำอันไรที่เป็นหลักเป็นความเป็นธรรมเนี่ยเราก็น้อมมาเนี่ยเช่นอย่างท่านให้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเอากายของเราเนี่ยไปทําประโยชน์อัตจริยาประโยชน์คือเอากายของเราไปทําประโยชน์เอาตนไปทําประโยชน์เมตตาไวจีกรรมพูดแนะบอกสอนพูดบอกบอกในสิ่งที่ดีเอออยังงี้ดีเอออย่างงั้นดีเนี่ยพูดบอกสิ่งที่ดีมันได้ประโยชน์นะ เราอยู่ด้วยกันแนะกันบอกกันเตือนกันอย่างนี้กับเราอยู่กับคนที่เราทะเลาะกันเราผิดกันเนี่ยเราดูผลผลรายได้มันเข้าสู่หัวใจมันต่างกันไหมกับแค่มองเห็นตัวกันกับเป้าใจนียเที่วเต้วเที่วเที่ยวกับเราเห็นกันแล้วก็เย็นตาเย็นใจแล้วดูความสุขในหัวใจอันไหนเกิดความสุขมากกว่า ดูให้ดีพูดดิพูดให้เข้าใจให้ฉลาดใครมีพฤติกรรมไม่ดีที่ตรงข้ามกับที่เราพูดนี่ให้เลิกให้ละให้ฉลาดละมันให้ฉลาดปล่อยมันให้ฉลาดวางมันอย่าไปดึงอย่าไปดือ้อย่าไปดันมันต้องหักไปข้างหนึ่งแตกไปข้างหนึ่งให้เราคิดดูว่าเราอยู่กันคนละไม่กี่ปีเดียวก็ตายจากกันแล้ว โลกนี้เราอยู่กันแล้วไม่กี่ปีแล้วก็ตายจากกันแล้วความดีที่เราควรเอาคือคุณงามความดีที่เป็นไปตามธรรมตามวินัยการถือทิฏฐิมานะมันไม่เคยไม่ให้ใครชนะใครแหละอเราชนะเขาก็ผูกเวนีนทิฏฐิมานะเนี่ยแหละเราเคิดว่าเราชนะเขาเออเราได้เปรียบวกก็ยิ้มยิ้มย่องกิเลสพองตัวมันเป็นเวนียนเป็นกรรม เป็นเวียนเป็นภัยนีมนุษย์รู้เรี่ยงสาภาวะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องธรรมเรื่องของธรรมเรื่องปล่อยเรื่องวางเรื่องเมตตากรุณาบุติตาบีขาเยี่ยว่าแต่มนุษย์เลยเรื่องกิเลสในหัวใจะแม้แต่นนโก้ไหโก้เห็นไหมมันมีเวีมีภัยกันกลับไปหมาอยู่นอกวัดสองตัวเห็นไหยอันนี้ก็มุ่งมันไว้จะเอาอันนั้นไอ้พ่อนกับโม่งมันไว้จะเอาไอ้บางนี้ มันเลือกที่ไหนอ่ะนี่คือเวรคือภัยความไม่ยอมความไม่ยอมตัวทิฏฐิตัวมนะนี่แหละตัวไม่ยอมพวกนั้นเขาขาดการศึกษาเขาไม่ได้ยินได้ฟังเขาไม่รู้เรื่องเราไปเป่าใส่หูเขาก็ <c oughs> าไม่รู้เรื่องแต่พวกเราเป็นคนเป็นมนุษย์ที่ต้องรู้เรื่องสิ่งนี้เป็นเรื่องไม่ดีอย่าเอามาถือให้หนักสมอง อย่าเถือให้หนักสมองเรื่องเป็นเรื่องภยัยเรื่องกรรมอย่างที่เคยเล่าฟัง alia. เราเครียดเขาเราว่าเขาเขาก็ว่าเราเราด่าเขาเขาก็ด่าเราเราโกรธเขาเขาก็โกรธเราเราแอบนึกคิดคาดหมายในทางที่มมนดีใส่เขาเขาก็แอบนึกคิดคาดหมายในทางที่ไม่ดีให้กับเราตรงกันข้าม เราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราเราช่วยเขาเขาก็ช่วยเราเราพูดกับเขาด้วยเหตุด้วยผลเขาก็จะพูดกับเราด้วยเหตุด้วยผลให้คำนึงถึงกรรมเป็นเรื่องใหญ่ว่าเราอยู่ด้วยกรรมเรามาด้วยกรรมเราอยู่ด้วยกรรมเราไปด้วยกรรมกรรมปัจจุบันนี่แหละเราพึงระวังที่สุดถ้ากรรมปัจจุบันเราระวังไม่ได้เรานี่แหละอดีตที่ล่วงไปก็คือกรรมไม่ดีที่เราทำนั่นแหละ ถ้าเราคิดว่าเราจะสร้างประวัติคุณงามความดีให้กับตัวเราเราต้องระวังที่สุดประวัติล่วงไปเราจึงไม่ด่างไม่พร้อยรักษาใจของเราทุกระยทุกเวลาทุกนาทีตั้งแต่วันนี้เวลานี้เวลาล่วงไปสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงเที่ยงคืนตอนเช้าตอนไหนก็นตามแต่รักษาจิตของเราให้ดีรักษาดี ตอนไหนรักษาตือสืบต่อเนื่องไปเท่าไหร่วิธีการรักษาจิตแล้วก็เอามาเอาสินกกเรรนี่ยมากํากับเอาทำเนี่ยมากํากับมันก็เป็นการรักษาใจของตัวเองเอาสินเข้ามากํากับเพิ่มให้จิตจิตมันผิดสินจิตก่อนที่มันจะทําด้วยกายด้วยวิยจาณมันก็คิดซะก่อนมันคิดสิทธ์มันคิดผิดเกี่ยวกับเรื่องผิดสินเนี่ยมันก็ทํา ไปแวผิดสินมันมีเจตนามันมีความใคร่ครวนไตรตรองไว้มีเจตนามันก็ผิดสินแล้วเอาสินมากำกับเราเราตรวจเราเช็คดูตัวเราอะเราถูกสินหรือผิดสินเรามีสินหรือเราไม่มีสินเอาวินัยมากำกับเอาสินมากำกับเอาสินมาเทียบเคียงเอาสินมากลาง เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุจำเป็นเราต้องศึกษาเรื่องศีลเรื่องธรรมภายในใจก็เช่นเดียวกันความเป็นผู้อ่อนโยนความเป็นผู้ใจดีความเป็นผู้ทำตัวสม่ามเสมอเสมอต้นเสมอปลายความเป็นผู้ไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่พยาบาท ไม่สร้างเวรสร้างภัยสร้างบาปสร้างกรรมเราศึกษาดูอันไหนมันเกิดประโยชน์เราก็ศึกษาอันไหนมันเกิดโทษเรากพยายามหลบพยายามหลีพยายามเว้นอันไหนเรารู้ว่าไม่ดีเราก็ละเราก็เว้นอันไหนเรารู้ว่าเป็นเรื่องดีเป็นศีลเป็นธรรมเราก็ประกอบให้มากเจริญให้มากนี่คือทำดีถ้าตั้งใจทำอย่างนี้แล้ว ไอความพลั้งเผลอความไม่ดีที่เราเคยพลังเคยเผลอเคยทําไปมันก็ก็จะค่อยลดลงลดลงลดลงลดลงไอ้ความดีตามศีลตามธรรมที่เราเห็นว่าเอออันนี้เป็นศีลอันนี้เป็นธรรมตั้งใจอุตสาพยายามขยันมันเพียนเนี่ยความดีทั้งหลายมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็มีแค่นี้เองละชั่วทําดีอมละเอียดขึ้นไปลึกขึ้นไปพยายามทําจิตให้บริสุทธ นี่หลักของพระพุทธศาสนาท่านพูดไว้สามอย่างแค่นี้แหละให้หละชั่วให้ทำดีเดี๋ยวเรามาติดแค่ทำดีพื้นๆเนี่ยแค่ให้ทานแค่ทำงานแต่ไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องทำจิตให้บริสุทธิ์จิตมันก็ไม่บริสุทธิ์เพราะสภาพของกายกับสภาพของจิตมันคนละสภาพอืละชั่วด้วยกาย เรื่ อ, อ be วายจามันเป็นเรื่องของสินละชั่วด้วยใจแล้วก็พยายามทำใจให้บริสุทธิ์เป็นเรื่องของธรรมหรือสรุปแล้วทั้งเรื่องทั้งเรื่องสินทั้งเรื่องธรรมเรื่องศินก็เป็นเรื่องของธรรมเรื่องธรรมก็เป็นเรื่องของธรรมและก็เป็นเรื่องของสินมันจะเกี่ยวข้องกันมันจะเข้าว้กันเรื่องของสินก็เป็นเรื่องของสินด้วยเป็นเรื่องของธรรมด้วย เรื่องของธรรมก็เป็นเรื่องของธรรมด้วยเป็นเรื่องของศีลด้วยรรมันจะเกี่ยวข้องมันจะผูกพันกันเพราะศีนนมันเป็นข้อบัญญัติอย่างนั้นเธออย่าทำนะยอย่างนั้นเธออย่าทานะยอย่างนั้นอย่าทอย่างนั้นอย่าท ำ, าทำเพราะมันรู้แล้วว่าช่องทางที่ทำไปแล้วมันเกิดโทษอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ละให้เว้นให้งดท่านรู้อยู่เราจเจริญรอยตามศีนเท่ากับเราไปปิดช่องปิดรูซ่อมรั้ว รั้วมันหักรั้วมันพังเราก็ไปซ่อมเอาไว้เราไม่โดดรั้วเราไม่ข้ามรั้วเราไม่แหวกแนวออกนอกสินั่นแหละทั้งที่เราไม่ข้ามรั้วเราไม่ทำลายรัว้วเราไม่พังรัว้วอยู่ในกรอบของสินเราก็ปลอดภัยสินนี้นำความสุขมาให้นะแค่สินห้านี่ก็นำความสุขมาให้ครับเราเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีสินมีธรรมมนุษย์แค่ตั้งใจรักษาสินบริสุทธ สามารถเป็นพระไรชาได้อาบายสามัติปิดอาบายได้รักตั้งแต่รักษาศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยศีลห้าศีลแปดศีลนุโบริสุทธิ์เนี่ยพระสงฆ์เราเนี่ยตั้งแต่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ถึงแม้ว่าทำยังไม่เจริญเนี่ยอานิสงส์มันก็มากกว่าคราวาญเข้าไปอีก เพราเราตั้งใจรักษาศินละเอียดมากไปมากกว่านั้นอีกอแต่ถ้าเราพอใจอยู่แค่นี้มันก็ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยแต่ก็กบุญญาชนถ้าก็ไม่สนับสนุนเพราะเราอยู่บนเส้นทางที่เราจะทําประโยชนใ์ให้ได้มากกว่านี้เช่นอย่างละชั่วให้ทําดีและให้ตั้งใจรักษาจิตปฏิบัติจิตชาระจิตให้บริสุทธิ์ี่ บริสุทธิ์จากกิเลสจิตของเราไม่จิตของเรามีกิเลสจิตของเราไม่บริสุทธิ์ราคะเรามีไหมกิเลสเรามีราคะเราต้องมีโทสะเรามีไหมกิเลสเรามีโทสะก็ต้องมีด้วยเหตุที่เราลุ่มหลงนี่แหละจึงเปิดให้เรามีราคะจึงเป็นเหตุให้เรามีโทสะเรามีกิเลสไหมเรามีกิเลสเราจึงมีโมหะมีความลุ่มหลงมีตัณหามีอปาทาน มีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานในหัวใจสิ่งเหล่านี้จึงมีมีหรือไม่มีเราก็เช็กดูสํารวจตรวจตราดูมันมีอา้าวเราต้องพยายามละความโลภอ้เราต้องพยายามละราคะตัณหาเราต้องพยายามละละโดยวิธีใดโดยการพิจารณาอย่างใดเราพยายามหาวิธีนั้นมาบําเพ็ญเพื่อละ เรามีราคะมีราคะก็ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยหรอกราคะโทสะมาด้วยกันความรักใคายความกำหนัดความยินดีคำว่าราคะมันละเอียดลึกเข้าไปโดยลำดำับมันเป็นผลิตผลทีเ่เราสนองตัณหาที่มีอยู่ในหัวใจของเราสนองด้วยการเห็นสนองด้วยการได้ยินได้ฟังสนองด้วยการสัมผัสสัมพันธ์ ด้วยการลูกการคลาด้วยการใช้การสอยมีครหาสน์หน่องตันหาตันหาคือความทยานอยากพลังของความอยากมันมีอยู่ในหัวใจของเราถ้าเราตั้งใจดูพยายามดูจะเห็นพลังของความอยากคือพลังของตันหาถ้าเราตั้งใจทำบ่อยครั้งเข้าเราก็จะเห็นความเราก็จะเห็นพลังของความอยากที่เป็นที่ไม่ใช่ตันหา นี่เป็นพลังของธรรมอยากตั้งใจรักษาศีล้ยิ่งอยากตั้งใจเจรินสมาธินั่งฮะสามสิบนาทีโอ้ยังไม่อิ่มพอหนึ่งชั่วโมงไม่อิ่มไม่พอสองชั่วโมงไม่อิ่มไม่พอทำไปเรื่อยพอใจในการนั่งยืนขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินขึ้นมาก็พอใจในการทำทำสมาธิให้สงบในการเดินในการยืนเราสามารถทำได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่ง นี่พอใจในการทําให้จิตของเรามีทำเพิ่มพูนสิ่งที่เราทำเข้าสู่หัวใจของเราเราต้องใจทำต้องตั้งใจทำต้องตั้งใจประพฤติต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อทํำลายความหลงของตัวเองนี่แหละหลงราคะหลงตัณหาอาสวะกิเลสตัณหาอาสวะมันพอกพูนอยู่ในหัวใจมันจึงทําใจของเราอืให้สปกปรก ไม่บริสุทธิ์เราพยายามกําจัดสิ่งเหล่านี้พยายามดับสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากหัวใจใจของเราถึงจะสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ที่ที่เราบอกพยายามชําระจิตให้บริสุทธิ์หลักของพระเจ้าท่านวางหลักหัวใจของศาสนาให้จำเอาไวา้หนึ่งให้ละชั่วสองให้ทําดีสามให้ทําดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้จิตของเราเนี่บริสุทธิ์แยกกิเลสออกจากหัวใจให้หมดการที่เราจะแยกกิเลสออกจากหัวใจให้หมดก็คื อ, คอเราพยายามค้นคว้าหาเหตุหาปัจจัยของมันพยายามให้เห็นหน้าเห็นตาของมันพยายามรู้เท่าทันกลอนอุบายมายาของมันในขณะที่เราพยายามฝึกฝนอบรมพยายามหัดรู้ให้เท่าทันมันมันเป็นการขัดเกลาปัญญาขอา้อร้ายเกิดขึ้นเพิ่มพูนขึ้นทวีขึ้น พอปัญญาเริ่มแก่กล้าความรู้เท่าทันก็เริ่มมีปัญญาเราเริ่มแก่กล้าความรู้เท่าทันก็เริ่มมีมีมากเข้ามากเข้ามากเข้าฉนเป็นอย่างที่หลวงตาท่านเทศเมื่อกี้ไหมทั้งรู้ทั้งเห็นที่ท่านเรียกว่าญาณทัศน์ญาณทัศน์ทัศน์แปลว่าความเห็นวญาณแปลว่าความรู้ความอย่างรู้ความกําหนดรู้ความอย่างรู้หลวงตาท่านเล่าให้ฟัง เพียงแต่กำหนดเท่นั้นมันซึบเข้าไปมันซึมซับเข้าไปหมดอืซึมซับเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกิเลสตัณหาอาสวะอืเรารู้เราเห็นมันก็ดับเรารู้เราเห็นมันก็ดับเรารู้เราเห็นมันก็ดับทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยรู้อย่างเดียวยังไม่เห็นเห็นอย่างเดียวยังไม่รู้มันซึบเข้าไปทั้งรู้ทั้งเห็นมันก็ดับตัณหาเหมือนดับการดับนี่แหละมันเป็นการชำระชำรกแทรก สิ่งที่เป็นเกเล็ดออกจากหัวใจเกล็ดจะเริ่มสะอาดเข้าไปไอใจเขาจะเริ่มสะอาดออกไปเรื่อยผู้รู้จะเริ่มสะอาดเข้าไปเรื่อยเป็นอิสระไปเรื่อยเป็นการชะล้างสิ่งที่มาเคลือบเเฟนไปเรื่อยไปเรื่มันเป็นพลังอยู่ในหัวใจของเราที่เป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติสิ่งทั้งหลายที่พูดมาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นนั้นมันเป็นสิ่งที่ทําเพื่อเป็นการปูพื้นภูฐานปูพื้นปูบาดปูฐานให้กับจิต ให้จิตเจริญงอกเงยโดยศีลให้จิตเจริญงอกงามโดยธรรมนี่เป็นข้อปฏิบัติงานทั้งนี้เป็นงานที่เราจะต้องทำต่อเนื่องเป็นงานที่เราจะต้องทำจะต้องทำต่อเนื่องและเป็นงานที่เราจะต้องจัดต้องทำเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำทำเพื่อเป็นการชะเป็นการล้างเป็นการขัดเป็นการเกา่าทำได้มากเท่าไหร่นั่นล่ะบุญเรามีมากเท่านั้นหละ บุญแปลว่าความดีความดีแปลว่าบุญบุญบุญยังบุญยะภาษาบาลีบุญแปลภาษาไทยแปลว่าความดีความดีแปลว่าบุญบุญแปลว่าความดีชะล้างสิ่งเหล่านี้ไปได้มากเท่าไหร่แล้วก็มีบุญเพิ่มมากเท่านั้นบบุญเหล่านี้แหละช่วยอำนวยความสุขในหัวใจของเราชำระเกลือให้หมดไปจากหัวใจก็ยิ่งมีความสุข ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณคนทุกข์หโทษในวัฏสงสารหมดความยุ่งเหยิงวุ่นวายหมดเวรหมดภัยหมดบาปหมดกรรมหมดทุกข์หมดโทษหมดโรคหมดภัยเพราะอะไรเพราะไม่ต้องไม่ต้องมีไม่ต้องมีกายมาเพราะกายมันเป็นรังโรคใครแสวงหาการเกิดคนนั้นก็แสวงหาโรคนั่นแหละเกิดที่ไหนเราก็ไปเกิดที่นั่นโรคกาย โรคใจก็คือกิเลตนั่นแหละเกิดที่ไหนไปเกิดที่ไหนโรคก็ตามไปที่นั้นเกิดที่ไหนก็โรคก็ตามไปที่นั้นสวงหาที่เกิดก็คือสวงหารวงรังของโรคสวเหาแสวงหารวงรังที่เกิดของโรคกิเลสเป็นโรคที่ละเอียดอ่อนจากนั้นก็พวกเชื้อเชื้อโรคโรคปวดหลังโรคเส้นโรคเอ็นโรคประสาท โรคเหล่านี้ไม่มีเชื้อแต่ร่างกายมันวิกลวิการเนี่ยมันวิกลวิการเรามีพบมีชาติเรามีกายเราไม่ต้องเรียกร้องหาสิ่งเหล่านี้มันมาด้วยกันไม่ต้องเรียกร้องมันมาด้วยกันของกับมันเขาเรียก <i okay? S 2> ของกลับมันในเมื่อเรามีมาแล้วเราไม่ต้องมเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แ <i S 1> ม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สามารถ ไล่มันออกได้ถ้าไล่ออกได้พระองค์ก็ไล่ให้จากให้กับพวกเราหมดแล้วแหละอาใครมานับถือศาสนาเรานะจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่พระองค์สอนให้ปฏิบัติธรรมเพื่อผลพบผลชาติตราไตรมีภบมีชาติความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องตามมาเล่นงานแหละไม่ต้องไปบ่นให้มันแหละมันมาแน่แน่มันเยียบย่ำทำลายแน่แน่เจ็บไข้ใดป่วยเป็นโรคมันเป็นโรคนี้อืม โรคไอโรคหวัดโรคจามโรคตับโรคปอดโรคสารพัดทมันจะพึงเกิดมีโรคมะเร็งเนื้อร้ายตัวร้ายกาศมันเกิดขึ้นมาหมดแหละเพราะร่างกายตัวนี้มันเป็นของที่ไม่สําเร็จรูปอ่ามันไม่สําเร็จรูปสําเร็จรูปเป็นระเบียบเป็นระบบของมันอย่างหนึ่งอพาะฉะนั้มันเสื่อมไปมันสิ้นไป มันไม่เสร็จสิ้นแค่นั้นมันเสื่อมไปมันสิ้นไปเวลาล่วงไปมันก็เสื่อมไปสิ้นไปเวลาล่วงไปมันก็เสื่อมไปสิ้นไปเราดูอาหารที่เราใส่เข้าไปที่ปากทั้งปากเนี่ยล่วงไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันหมดไปมันขับไปมันย่อยไปมันไม่อยู่ของที่มันไม่อยู่ของที่มันไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปมันหมดไปมันเปลี่ยนไปภาวะของมันต้องมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ เราไม่ต้องไปเรียกร้องให้มันคงที่เราไปเรียกไม่ต้องไปเรียกร้องให้ไม่ให้มันเจ็บใขรได้ป่วยไม่ต้องไปเรียกร้องอมียามีหม like อก็พอบําบัดได้เป็นการเป็นคราวเท่านั้นอ่าเป็นการเป็นคราวเท่านั้นสักหน่อยหนึ่งถึงคราวมันสลายไปอันน้นอันนก็หมดสภาพอันนี้ก็หมดสภาพอถึงวัยมันล่วงไปเท่านั้นท่านี้อันนั้นก็หมดสภาพอันนี้ก็หมดสภาพ ตาก็เปลี่ยนไปหัก็เปลี่ยนไปความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์กับจิตเอ่ยสัมผัสสัมพันธ์กับกายเอ่ยการเคลื่อนไหวอะไรอะไรเอ่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะมันเสื่อมไปมันสิน้นไปมันจบลงก็หมดลงตายตอนนั้นแหละหากคุณสมบัติที่เคยฝึกฝนอบรมไว้มากก็จะไปสู่ที่สุคติถ้าเคยฝึกสัมมาทิฏฐิไว้มากก็จะไปเกิดในกลุ่ม ในที่ที่มีสัมมาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฐิไว้มากก็จะไปเกิดในกลุ่มมิจฉาทิฐินั่นแหละคอยจิกคอยตีคอยรัง้งอ่าคอยสับคอยฟันกันอยู่นั่นล่ะคอยยุคอยแย่คอยให้โทษให้คุณกันอยู่นั่นแหละเราชอบอยังไงเราชอบสัมมาทิฐิเชื่ชความสุขความเจริญในหัวใจของเรายามสร้างสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นหลักความเป็นจริงของมันที่ทเรียกว่าสัจจะ หัดหมองให้เห็นสัจจะนี่แหละถึงจะเรียกว่าให้อ่าเป็นการหัดสร้างสัมมาทิฏฐิให้กับตัวเองมองตั้งแต่ของนอกกายมองเห็นความจริงะคนนั้นมีสิ่งนั้นมีปัญหาอย่างนั้นความจริงมันต้องแก้อย่างนี้สิ่งนั้นมีปัญหาอย่างนั้นความจริงมันต้องแก้อย่างนี้นะเอาเอรา ย, ยกตัวอย่างเช่นเช่นอะไรล่ะเช่นอย่างเอาลังคารั่วเนี่ยเราทําไงเอาอันนี้ไปเสียบปับ๊บ มันไม่มีรูมันรั่วมไม่ได้นี่พยายามหาหลักความจริงให้กับมันพยายามศึกษาหาความจริง<อ>มันจะเป็นการเพิ่มภูนสัมมาทิฏฐิกับตัวเองไปเกิดในที่ที่ดีในที่ที่มีคนมีแต่มีแต่สัมมาทิฏฐิเขาก็สัมมาทิฏฐิก็รู้ความหลักความจริงเราก็สัมมาทิฏฐิรู้หลักความจริงมันก็อยู่ด้วยกันต่างคนต่างอยู่อยู่กับหลักความจริงไม่ต้องไปทะเลาะ ตามเรื่องของกิเลสที่มันยุ่ยเย่ให้เราทะเลาะ ก, กันนี่แหละทะเลาะ ก, กันทีไรเมื่อไหร่เราโง่ให้มันอีกแล้วผิดข้องใจกันทีไรเมื่อไหร่เราโง่ให้มันอีกแล้วต้องรู้ตัวต้องรู้เรื่องเราโง่เพราะเราไม่เข้าถึงสัจจะไม่รู้หลักสัจจะเราหลงเพราะเราไม่รู้สัจจะไม่เข้าถึงหลักของสัจจะ พยายามดูเหตุดูปัจจัยข้างนอกให้ออกเราแก้จะได้แก้ถูกจุดรู้ข้างนอกแก้ข้างนอกถูกจุดรู้เข้ามาข้างในพยายามแก้ข้างในใถูกจุดสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความโลภเกิดความโกรธด้วยราคะตัณหาอะไรต่ออะไรพยายามดูให้เห็นหลักสัจจะเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้ให้หมดไปไปจากหัวใจของเรานี่สัมมาทิฏฐิก็จะเริ่มเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นความสุขความเจริญเราไม่ต้องทําหาแหละ เดี๋ยวนี้เราเบบกองทุกกองโทษเต็มแปรในหัวใจก็เพราะเรามิจฉาทิฏฐิคาดผิดเดาผิดหมายผิดสำคัญผิดทำผิดนึกผิดคิดผิดกระทุกเท่าไหร่เลยแหละไอ้แค่นึกผิดคิดผิดเนี่ยทุกไปเท่าไหร่เลยเหมือนอย่างคนที่เขาประสาทสมองไม่ดีนนึกไปเรื่อยเปลื่อยไปนึกผิดคิดผิดคนประสาทสมองดีแต่ว่ากิเลสแย่ กิเลสแทรกเข้าไปในหัวใจกนเดาผิดสัญญามันพาเราเดาผิดสังขารมันพาเราปรุงผิดนะมันพาเราทําผิดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมาสิ่งเหล่านี้เราควรคํานึงคํานวณให้มากโอกาสที่เราจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความดีเข้าสู่หัวใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วเราก็ลอยคออยู่กับ ไอ้เจ้าคนมายาอุบายของกิเลสตันหาอสวะไปวันๆท่านั้นแหละมีแต่จะจมลงจมลงจมลงจมลงลึกเท่าไหร่ก็คือลึกเท่ากับที่เราประมาทเท่ากับเรานิ่งนอนใจนั่นแหละหลวมตัวให้กับมันขอให้ได้สนองตอบความเครียดให้คักคักทหน้าเนี่ยหลวมตัวให้กับมันแล้วมันพร้อมที่จะจมดิ่งลึ ก, ลกไปมากกว่านั้นรู้ทันทียึกยัก ปฏิบัติขัดเราห้ามทันทีตั้งเหลือตั้งตัวเอาธรรมมาแก้เอาธรรมมาบำบัดอันนี้ช่วยเอาตัวตัวเองรอดอืมพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปคิดไปกัดไปเกณฑ์ไปให้เป็นให้เป็นเรื่องของธรรมให้เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ให้เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติไม่นิ่งนอนใจรอบคอบในการที่เราจะแก้ไขสิ่งนีน้แก้ไขสิ่งนี้ รับผิดชอบรอบคอบประกอบด้วยสติประกอบไปด้วย ป, ปัญญาความเป็นอยู่ของเราเจริญเงอกเงยงาะงามธรรมะในหัวใจก็เจริญงอกเงยงาะงามความสุขเราไม่ต้องเรียกร้องมันมาเองเอาละพอสมควรละ